วิธีทาสังขาสามัคคีและกรรมวาจาภิพิสุทั้งหลายสงพึงทาสังขสามัคคีอย่างนี้คือพวกพิกสุทั้งที่เป็นไข้และไม่เป็นไข้พึงประชุมกันทุกรูปรูปไหนจะให้ฉันทะไม่ได้จากนั้นพิกสุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงสาบด้วยยติทุติยกรรมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสงการทำสงให้เป็นต่างๆกันได้มีแล้วเพราะเรื่องใด พิสุรูปนั้นผู้ต้องอาบัตถถูกลงอุกเขปนียกรรมเห็นอาบัตและสงเรียกเข้าหมู่แล้วถ้าสงพร้อมแล้วสงพึงทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์ความแบ่งแยกแห่งสงฆ์การทำสงฆ์ให้เป็นต่างๆกันได้มีแล้วเพราะเรื่องใดภิกษุรูปนั้นผู้ต้องอาบัตถูกลงอุบเขปนียกรรมเห็นอาบัตและสงเรียกเข้าหมู่แล้วสงทาสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้น ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสงฆ์ทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นแล้วความแตกแห่งสงฆ์ถูกกำจัดแล้วความร้าวรานแห่งสงฆ์ถูกกำจัดแล้ว ความแบ่งแยกแห่งสงฆ์ถูกกำจัดแล้วการทำสงฆ์ให้เป็นต่างๆกันถูกกำจัดแล้วสงฆ์เห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สงฆ์พึงทำอุโบสถพึงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงในขณะนั้นทีเดียว